ในสัจจะ 9 ภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงใดที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ กลางคืนกลางวันก็ยังไม่ปรากฏเดือนหรือครึ่ง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 ข้อนี้ก็ฉนั้นนี้ก็ฉะนั้นตลอดการเพ่งผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวง <c oughs> มีอยู่แต่ความมืดเป็นความมืดซึ่งกระทําความบอดการ มันเกิดขึ้นในโลกในการนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงย่อมไม่มีอันใหญ่หลวงย่อมมีในการนั้น การเปิดเผยการจำแนกแจกแจงคือซึ่งทุกขอริยสัจทุกขสมุทัย ประหยัดนั้นเพื่อให้รู้ว่ากรณีนี้พวกเธอพึง